ทั้งกลัปจบกระเทียครับผมก็ตามพรอมไรเนาะออกขัดอองน้ามันโตโตโตมีเยอะถึงยูวิสายพี่เจ้าเพห้องหน้าหยองยังทางหน้าเพ็ดอันคาดนี่นะยังพิมพ์ซ็กไม่เซ็กยังก็ไงม่มากแต่เนี่ยน้องพรอม ได้บรรจุไปากเห็ดหนังก็แปลกๆขึ้นไม่ขึ้นตอขออันตรายน้ำบรรจุน้ำดูเห็ดมาแล้วน้มบรรจุไปกินกับน้อนนางเดียวกินแต่น้อนนางเดียวทุกวันนึ่ย่งนี้ถือว่าจะโยโย่จกินกับนอนสิเต๋อ ส้มสุกส้มแดงเป็นยลนดอกไปกระไรโบไปก็บวกอึดการกินโบไปมันก็พดีก็ได้เพิ่งเจ้าของเปเพ่องที่หมพระูุทธเจ้าคนพ่อยเพื่งง้มเล้เพื่งเฉพพะเจ้าเทพแ้วต้องไปเองถึงเตา วินทบิจโอพระโพชนางวินทบาดเลี้ยงชีพตลอดชีวิตเถิดอยู่ข้างนอกมันห่ามมันหนาวว่าอยู่อากากันหนาวคนนี้ก็จะออกไปไหนจะยามพอได้จะหลับเถินเถิดเปนปัหาเอาของก้อนเยอเถิดเถิเจ้าตรงนี้จะท่าให้ก็ได้ไว้จะท่าบอเอาเห็นเหรอ ก็จงยมเ่งเจ้าของไหพระพุทธเจ้าขึ้นไหวเป่งโยมนเป่เจ้าของีเจ้าของจี่ข้นพรวนาขุนตัวั่นแล้อยู่ในป่าในรงอ๋อสมาธิบอดีมนนี้ไปบินตบบจะให้มนได้ยังจะกอนเน้อเขาปฏิฐานอะไรก็แต่มสิมีก้มขยันมันเปียในการพรวนาเหนว่า กิเลตก่อนยิ่งยิงตีหัวมันว่าธรรมะก่อนยิงยงตีหัวกิเลสมันเทียบให้ฟังลมประล่นพอแม่กูว่าอาจารย์ตะก้อนเหือนยานก็ฟังคว่ำพอควาแม่จังใดก็ยานกล้ยตู่ใบหน้าเฮาเดอร์ยานหายดิว ก็ไอไถน้า <screws> ม <in the ground> ันก <Anyways> so ็เ <in> ป <Asia> ็นลำบากองอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปออมมาจักว่าจักเถี่ยกดจีเลวห้องหนึ่งนต้นกล้วยเก็บตั้งหลหนุงปูไปเป็นธบากปดกล้วยไปไปหางไถไปแน่นธบาดหลวงปูไปจองวัดสะก้อนตัวมนทั้งยุวันหลวงปูเป็นธบาดเด้์วันนะเปนธบาต นางน้องกันแท้ดิวันนี้มิตรงให้ตรงหน้าสานทนทั้งขีรดรถปวดผาดไปคือท <c oughs> ม, อมอนี้ดอกง่ายหลายห้องจตายละทุมเงินวได้กบวยเห็ดจากขวงคือแนมน้ำากขวางขันบ๊เป็นขวัญ <c oughs> ขอน้ำโพชนาอาหารกึกนั่งหาบ๊เป็นนี่เขามาส่งไงส่งไงส่งไงเขาไปมัดแต่บน าแม่หลกเอาบุญนี่คนบมีหรือเป็นหนีกัเจ้ามันควยตู้ควยร้อนไถหน้าไข่เขาละเอียดเด้คำของบุเจ้าส่นพ่เห็นจุดนี่ก็พอต้าจะเห็นไปแล้วต้องคิดไปแล้วของบ่อื่นอ่ะเสมอเนี่นั่นแล้วยิ่งประมาทว่ไรก็อธิษฐานจิตได้แล้วเป็นจิตว่เป็นสมาธินางพรหมาวพได้ถนนตอนนี้ไปวินสาบจะห้ได้ของ สาบแสงเจ้าของยุงสั่นนะเพื่อเพื่ให้ประมาทเนี่ยคนเรจะเข้ามาใ็ดเรียนหน้ายองพระพุาธศาสนาเล่นเด้จงกล้าเอาเป็นนอตายฝนต้องเทียบไว้มักผลนไพ่พานอยู่ฝากปาย่่งเงินท่องอยู่ฝากปาย่องเมื่อฝนไม่พานอยู่ฝากฟ้าตายเมื่อย่านตายเด็เทิมแล้วก็มตาย มันไม่มีสัจจะเหตยัางท่าไปมันกิดร้อยเลๆร้อยละเอาตะขานมัตะมันไปันาดตามก้อย่อมภาษาป่านนอกจังถึงหัวใจดีตัวทังกอเย่อมก็ตามที่หลือ <Yeah. S 1> ือสร้างการแล้ววันั้นก็เหตุจิขานเาเหตุอยู่รตามก้อยย่อมจิขานมาได้สืบทจิตจาของสาบแชงนั่นจาของไว้แล้ว ขานว่าได้ไเป็นตาบาดว่าได้ขอให้เทพดาจะเป็นคบันดาลคนไหนมัใตาบอดมันก็บอกว่าเมื่อคืนทั้งเมื่อค้นหนังกับคนมากควมหูควมตามันเปิดอันเปิดก็เรียกประมาทแต่สะดวกเรืมกายมักง่ายเรืมตัวเดีมันก็เลยเขาทะนงสะดวกเด้ เริ่มตัวกัไปเริ่มใจแล้เริ่งเก็บเริ่มใจจากของเลยกอนบกเอืดไก็ได้อะก็ได้เอด่ อ, อยากค้นมาทรงบ อ, อดอกไปหนังอันตรายรถสีส้นหยยบแก้วหยาบน้ำมันหอนมันหนาวนจะเป็นโรคนั่นโรคนี้มาตัวเ ป, นนตตเป็นดักับสางหัวมันเต้เมื่อหน้าตีติเป็นมาตัว พี่เจ้าก็มีทุกคนเวลาจะเห็นคนขี่ส้นหมิเริ่เคยขากันกับส้นกับส้นส้นสนสนสน ต, ตายแล้วก็แล้วเป็นไม่ยากอย่างว่ากล้าตายเสียสละยุต่อไปอีกก็จะตายขือเขายุต่อกันี่ยวของกับเทิร์ดเอาไปตัวมาเหยียดหาูโคงไไปมไม่ค้งก็แล้วท่านหนึ่นงนะมบงพวกอึดไหมไปก็ได้ว่าไปอื่นขนหน้ามงโด่ เ okay, <c oughs> ราแก่นั่นเราแต่กวนบอได้การนั่งสาฆ์ทิพมนาบาบได้อธิษฐานไว้แล้วในบาทเป้าว่าจะทั้งได้หรอ <c oughs> <c oughs> เป็นต้งเทียบไว้พ่แม่ผู้บาอาจารย์เป็นรูปการเลริญนเมตตาพมนาไปินท บ, บาทตรงนีบ้บาทค้นกัมีคนมาใจบาทไหน มี่ขอสินขอดทำไวในหนังสือเพื่อให้ผู้ยุดิธรรมภายหลังได้เข้าใจเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าวา่าเป็นจริงได้จริงนี่จริงเนี่ยเห็นในจริงพอเห็นบ่มีเห็นตั้นของบ่มีกําลังใจผู้ยุติยุทธ์เลยมีความมุ่งหวังต่อไปโอ้ไม่ยุ่งประวัติประเมีครูบาอาจารย์โอ้เทียบกบ สถานที่กบถนนคนทา้งไปตะก้อก็คืมือมึงไปกันได้ย <c oughs> ยังรถมวนไปพะท้องไปยุ่งสันเบื่ยไปร่เรถกเร็วกับคืมือคือคุมือเนี่ยหรอคือมือก็คือรถปึป๊บคุยกันปึบ๊บสูบยาต้อนกบไปน้ารถ ตงวน้ำด่สิเด็สมาธิน้ำได้สิยเฉพาะไปน้ารดหนึ่งอันตรายเด็กฟังไปเผลอไปมกงําเป็นพวกเพี้ยหรือไเงียบไปเด็เขาสมาธิเดคือ่ต้งบินขางคักแหละสนุกนั่งแล้วแล้วุณติวปราบน้ำไดนอเอาสมาธิเรื่อยๆธาตุเทียบไป นั่งสมาธิอยู่บนสวรรค์ยัางงายก็อยู่น้ำโลกครับนั่งผ้าเรื่อนรนก็ยังคอยมาถ่เยีเ่ยมเบิ้งส่นตัวมันนั่งสมาธิอยู่ขัขบมากวนนี่นั่งผ้าเห็นว่าจะนั่งผ้าเขาจะอยู่สบายาเขาบอมากวนเขามีมรฑย า, าคอนสิโกไปเป็นนั่งผ้าอยู่ทั้งทึง่งฝึกขดฝึกฝนลงล่มสู่เลียนเขียนอ่านม า, าท่ายท่องหนังสือตำลับตำล่า ท่องจบมาแล้วมาภาพปฏิบัติงานดีเกี่ยวแก่การต้อนรับครับสูขกิริยามนุษย์สําแขกขู่ขนทั้งเครื่องนเอ้นะเมืว่ามันเคยเมืองโลกนี้เด้มันขึ้นทุกเมืองสูงหลอหนังสมาตรีจุ่มเมืองป่ากันเอาเทียบมืัอนี่ไปวอายกการชี้เครบินถึงเป็นจุ่เมืองสวรรค์ก็ได้เดิขาววิจินเ่ะเห็นบ่ก นั่งสมาธิบนสวรรค์ก็เมืองเทวดาพรจ้าก็มาแก้ดุ้งสนอันเนี้น้องนั่งเขาโอมมากกว่านะออกจากสินอนั่นนะดีเตรียมไปกันั้นะแต่โดนได้ มาจัดที่นั่งให้ดีๆให้ได้จะไปหนอนจะนอนสบายจะนอนแต่วานอนสบายแล้วก้มบอกบางคน <c oughs> เพาว่าเอานอนสบายเขาก็ทํา้งใจสบายทุกันนะหมายมันนอนเนื่องคือในจิตตัณฐาในใจอยู่นอนเนื่องเกไดธรรมทิฏิอยู่ในปัญญา <c oughs> ประมาณจะทําประเดี๋ทานติไปท่านทั้งหลายตึงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ทำเวลาให้เป็นประโยชน์ทุกเวลาหน้าที่ <c oughs> นจิตตัวอากาศไปหาล <c oughs> ับหานอน <c oughs> น้ำลดน้ำลาดน้ำเครืองบอกเครงบินนะ่ะ <c oughs> ของเขาสมาีิเรื่อยเรื่อยวดูท่อไปคือกันนะตั้งใจปฏิบัติเถอะจะไปหาเที่ยวเล่นเ ท, เที่ยวหัวคือตัวตีบตัวแดง น, นะ เี็นว่าอันตรายคือวันเท่ากับนกไปพอมีอันตรายวันนี่ไอเขาบ <c oughs> บรบในกฎหมายว่าเป็นทางวัฏ้าพมีส่กันสักแยบมิฮานเปลนมาก็บวันแหน่ครับเร่งทาสมาธิถึงจูจูปฏิบัติถึงถ้ำมันต้องถูกต้องมีเจตนาถึงวิญญาณปฏิบัติถึงถ้ำมิเจตนาเพื่อจะไปเรีนไ ป, วปัวาเพี้ยนถ้ำถงแล้วไก็ขาบงเสรแล้ว ว่ากอแก่ก็ไปหนี่ลำบากเราก็ก็ตั้งแก่พราะกันหน้าที่ได้หนังไปขำทั้งประเทศม้าทีย่ยังบอกจังเป็นขามหัวค้นมาทั้งแต่ไหนค้นมหาเหรีย จ, ๆๆๆๆๆๆ <c oughs> จะยกแก๊กจะลุขมข่าแว่ามาปฏิบัติธรรมตรงหมู่งทั่วปฏิบัติธรรมมาว่าศาสนาหรือกันพระธรรมทูตพระธรรมทูตบ่เอาขอปฏิบัติ คำสองของผู an, name, doctor, dad, him, him, doctor, ้เจ้ามาสวยแฝงมุต <c oughs> like ิธรรมมาถวดเวียนมาแต่ไอคื้เก่าจบนั่งคือเื้นเป่าแตตลาจบธรรมถวดจบประโยคเข้าประโยคสิบคือกันนี่เราสอนคนเห็นคนเห็ไปตัวจิบตัวแดงได้น่เดี๋ยวเราไปเขาจะรับทำร่ามาอ่านกันเขาจะโยธถาบรราศักมาอ่านกันรู้เอาโยธถาบรราศัก์ของพระพุทธเจ้านีจสู่ของพระพุทธเจ้าได้ ห <c oughs> นุกมันตัดโดยอยากเป็นยำการค้า <c oughs> เป็นนั่นเป็นนี่ก็ออกหอนใส้ห็น <c oughs> ถือว่าจะขอของมีนั่นมีนี่คือว่าจะเริ่มโตทันทีว่าเรื <c oughs> ่องคำสอนของพระเจ้าเริ่มโตก็ได้พอการไปคือว่าถือว่าเป็นค้นจน คนมังคนมีคนลำคนเว้ยดิเผยมี่จากอันจากแั่นผู้เเจ้าเพื่อเผยคนมาหยงเห็นว่ททางหลอกคนนี้นั่นมี่นี่มีคนมาหยงเขาบอกคนนันคือรวยคนนี่คือรวยนั่นหาทีที่มากต่อไปหลันผู้เายใช่รวยหาผู้ยิ่งมารลอกผู้ยิ่งรวยผู้เายก็มาหลอกอ่ะมันนำมาถึงความบุญไว้วันมีอย่างพระเจ้าประสงค์นี่ว่ได้ต่ตุ๊กแฉกผบ้ยมี่ ปัดใจปัดบกใจกูได้ไปหนมก็มัดใจงตัวมันปัดเด้ปัดใจได่มัดใจไ้ได้ปถ้าใจเกิดความโลภความโกรธเหยียงเสริมก็ไปอีกมันเป็นลูกโศต้อไปอีกถึงตัวมึงก็เสียพกกูจะเจ้าเหียงเอาดิทุกคนไม่ได้ย่องโง่ยังพาดใส่ไปไหันไปนี้พระเจ้าก็สงก็นใส่ที่กันถึงตัวเียอ่างว่าด้ ปฏิติโลกปสงบปบ์บ่อยมีปัจจัยวนวิบ่อยมีวิบ่อยมีนิยพัทเถียงเอะทากในเหยนเอกดิเขาจะเอาฝ่ามังมหมามาสัมผัสมันเหรง <c oughs> คนเขาเห็นขำงเลยดิ <c oughs> นึกถึงพอค์หนึ่งว่าปสมักขศรัตนนั่นมากปฏิเอามูนี่ไปปฏิบติโลก ว่ามีฝกหมฝุ่ยไหนจะคน้อนตัวไหนไดนจะเลาผู้เดียวไปขอโนมโอติ <c oughs> ไปไปโยงดูทั้งผ้าเจ้าปฏิปีโยงยกประทับมกายมาเน่นนนะเพ่นรักพระพุทธศาสนาเรายินตาเดียวถ้าจะปฏิรูปพระสงฆ์ต้องตัดนี่จะพัดออกเพราไปสัมผัสถามก่อนดีกว่าตัดออกก็ไม่ต้องบอกกับพระมหาว่าสัมผัสม า, า, ด, มาด้ว <c oughs> ถ้าไม่ตัดออกมันก็มีปัญหาเป็นเชือเพลิงอยู่นั่นมันไม่เหมือนสมัยก่อนวัานี้พรหมหาไปต่อสมัยทุกวันนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับอะไรหลายอย่างก<ม>ันไปกันมากันโล่นกันนี่แม้ทั้งห้องนำ้ำไปต่างประเทศมันก็ต้องใช้จ่ <c oughs> ยายขออะไรก็บไทยเสร็ก็ได้ทุผู้เห็นตีบประเศอินเดียเรื้องิแพน มันปวดมันหามยังหามได้สน่ะหามมุดออกไ้บ่หรอเราจะมาหามยังธรรมชาติเมืองของปุตตะเมืองเป็นสันนิเมืองธรรมชาติจะดัดแปลงให้เป็นท่านสมัยทัางสันทึศีวาไปไม่สันติบัตรมก็เรยวัฒนธรรมของประเทศนเดีเสื่อมลงเมื่อเด็กเกาะประเทศไทยไปสั่งวัดประเทศนี่เมืองใดเมืองใหญ่เมืองดังๆเมืองพระพุทธเจ้าไปยุค ไปยามไปสั่งวัดซื้อที่ดินแหนก็ะไรไปซื้อแล้วในกลุมสรวัลแก่นักบุญบหว่าตัวแบบแสวงบุญมาด้วยมาถูกพวกไปแสวงบุญก็ไปช่วยวัดไทยไปช่วยวัดไทยให้ใดกลุ่มสรวัลประเทศดเดนเรียนลําบากเหอะกันไปเหอะกันไปขายก่อนหินก่อนเราเป็นหมืน่นสองหมืน่มนตัวจานานั้นจานนี้กันว่าหาพักทุกแห้งแบบ มันหาคนนั่เที่ยวเนี่ยหรือว่าใกล้เนี่ยค่าของเบิร์มออถึงเมืองนันแล้วไปพักข้อห้องน้ำในสิหาเนี่ยมัปลาหลบเดี๋ยวไล่เห็อตัวไป <c ười> ช่วยเชื้อช่วเหลือให้รับความสะดวกสบายทียติดไปน้องมาตรวจท้ายภายหลังจะได้รับความสะดวกตัวไปเห็นบอกระริ้วเนยวธรรมาชาติของพระเจ้าทํำให้ประเทศของพรเจ้าเสียธรรมชาต วัฒนธรรมของพระเจ้าเสี่ยมไปหมดแอ้วดีเขาทำนองตะกรอนน้่ไปตะก้อนคนใดเห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมโอ้ยฟ้าวขึ้นรถดไส้มาแต่นมีตะคน้นป่วยคนยังนอนมาเนื่องเพื่อนเพืเพกคนท่ายมาเนื่องเพื่อนเ พ, อนเพอบอลเเป็นช่องก็มา ไ, ได้เลยพยายามไปเอาดิปวกไปรถเข็นไส้กระเป๋าลูกฟ้าแรงนํำรถไส้ <c oughs> ญาติกันแวกของเอราะฉะนั้นผู้ใดว่าคล่องแคลวว่าท่านเน่ยนะี๋ยวโอ้ยเป็นไปแล้วก็เป็นญาติก็แจกอีกญาติที่นั่งกันว่มีบัตรด้วยยังไปอ่างกับว่าอะไรหรอกรถไฟก็เป็นชั้นเป็นชั้นสั้นนู่นชั้นนี่ไปก็ไม่เป็นสิสั้นเดียวสายสั้นไดยบนที่ฝักอย่างนี้ได้ออกปากไวยแล้วไปทางไหนตัวพ่อผมบนเที่ยวยู่เมืองนี่เนาะเดี๋ยวขาไปรายงานทุกคน นางสันมาได้กบได้แล้วมันบอก่ามีนางสันคือสมุนเดชใหม่ๆตะกอนพ อ, นอมาใส่ทั่วขนาดทั่วไปพอมาแดดกีฬากป็ปูผ่าปูสาส์นางน้าผมบนได้กบได้แล้วบนได้ก็มีอีตกตัวเพราะก็จะเปิด่นได้ออกก็น้ำรด <c oughs> แจ้งอองมากลุ่มน้ำเจะล่งรถไฟแจ้งว่ารถมันรถไฟแรงน้ำน้ำ ลิ้มคนทางหรือซับโ ม, มห่ ง, งห <c oughs> นี่นหมอดกุมกม่หลลิม น, ม <c oughs> น้ำแม่ขระเจ้าถือพระเท่าคือหมอถือไปในหม่ใ่่เส้นา้ำดีมาตะผนด้บริจาออกมากอะไรบังฐานของประสงค์ไปกรรมฐานถิ่นบังฐานก็ได้ดิน้ำเส้บังฐานสํารัก <c oughs> ทําความสะอาด <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาจึงบอก ประเทศเดียวก็มือใส่สำหรับทาความสะอาดมือขวาสำหรับจับอาหารใช่ปล่าว่ามีนะขนาดขนาดถรมของก็เจ้า <c> ย <oughs> ือกเปลี่ยนแปลงบ่เ่อเตรียมทั่วไปก็ะจนของอาหารก็จเจ้าชั้นแท้ก็บชั้นได้คือจังพระไม่เป็นส บ, บายแกร่ที่แรกราว่าคิวเม็นทั้งสัตนั้นที่บน้ติดแล้วชั <c oughs> ้นดีแบ้บ ปวดท้องปวดใจ ว, ว่าท้องพระห้องอือ้ออาวเงียบจีบเออเต้เป็นจาบในตัวเด็กก็จะเอาขั้วกางง่ายอยังผสมใจพร้อมกันแน่กษัต <c oughs> ริญญย์นิวเทวบันเดียวกันเลเพระนันวัตเด็นนั่นันวั็นมาอยู่ไหนประลบพระจะไปทางปีนะไม่ออกก็ไปมาตัดพระไปก็นเลยตัวบูรีติามาจังหวั มันยางทั้นด้ายตะ ก, กันหรือไปแล้วบบบัดนาเขาเจาะทรงก็ได้คนยางแน่ถึงสมองป่าไก่หรอไปเหมือนกอหลอดจากโมองไปนะหาเขาไปแล้วเห็น <c oughs> <c oughs> บัตรนึกว่าหลวาางปู่พระปินตบากคือหงปู่สมัยก่อนได้เปี่ยนหรื <c oughs> เอเป่าหลวงปู่ก็แต่งไว้คนมาใส่บาทนัดมามาานาวัดพระก็ยางนีไปไสแล้วบัต เห็นว่าผ่าน่น้อยกับบมีกับพระจัดไปที่ปีนี่ไม่ไงที่วัดกรกรุง3ามสิบสี่สิบนขงสบายไหมฝนตกมากก็โยงของมาใส่ภายในวัดหอกเอาประตูหน้าวัดไปสุดได้รอดเป็นบรมีของของกูของแม่กูพระจัดไป้โลกไอรานมีข้าดมาบัด เมานคืองานไกู่่แล้วก <privileged S 2> <Grade> ลุงงานอะไรไปเจ็บเทียนเจ็บหนังแหละอไคกับมิตปูนเหมือนเท่ไอวยางดีเลยมุ่ไวยังดีเง้วอันลัลงกวลงปวนเลยนี่ก็บอไปเฮ็ดซำที่ไม่อยู่ซื่อๆเว็ดทางไหนมันมาถามอว่าเห็ดไป้มเฮ็ดแต่ไปง้มแบบว่เอาเหมือนสาวกบวนหาแต่งยูแต่งกินแลว เอ้ยที่ใคนทุกคนยากบะไ่ได้อึดไม่ได้หยากไ่ไ ด, ได้จำผู้ตเก ا ทกี่ผู้ได้บวดรุ่นมวได้จำตะนามตมหฮงตัว <c oughs> ถามเข้าไตั้ากูจะถายมีอาหารวะมีน้ำตะมหฮงมีน้ำตะมหงใครก็ไม่ ม, ไ ม, ม, มีตัว <c oughs> ได้คุยได้สดเอาอขึ้นเสมอจำถวินาถุิลังเป็ทาานท้าวบานแต่ก่อนจะจำพระแดดตัวเดียวก็จำไปจำมาอยู่หันเลย เลยท่างทงานว่าบงตัวปราแดดตัวเดียวกแห่งงาเงาจังจถุยไปทัวมากตงเรียนว่ายเข่าใส่น้ำอ้อยแบนจินเราตัวหมดหวานหมดจ้าเ้าเปลาโรงเรียนเพท่านเขาแปนความสนายมังไงซึ่งมื่อวันมีม่อไ่เพราปนโรงเรียนเป็วเนว่าพอแม่ก็เลยเป็นหนี้เป็นสิน เป็นไปถึงเ ม, มื่อระถมมือนั่นะทินทำให้ก็มาโลกาพินาศพระพุทธเจ้าจึงวางหลักธรรมไว้พุทธศาสนาของพระุทธเจ้าห้าพันปีมันก็เสียมไปเสียมไปเสียมไปพวกมาได้พวกเพื่อนผู้ถุกมือมันก็เสียมไปเสียมไป <c oughs> แล้วไปเรียนธรรมะถูก่าเพดน้ำพระเจ้าพราะเจ้ากั บ, บ่วไหอยพานสัมถราต้องมาถามตัไปเสียยังก็ไปทำมาถูดเนี่ยเ่องเสียมันตะกุ่วน เลยหยาก็ม่าหยามขม่าท่านทุกคมันหยามเด้หยามเปนค้อย่อยจิมก่าเพื่อจะกินมันที่ผูกปุยตัวค้อย่อยจิมก้าเห็นบหมมันจะหยามตัวแล้วเว้ยเว้ด้บาตรเขาผู้เดียวหรอกมู่ฟาบามู่ฟาตุกเราตัวกต้องกันละไปทันตัวไปไปทั้งตามเห็นไหมมาคนในฟาตัวจนําบากเราสันั่นเลก็สันไป็นรถ ว่าเป็นตัววัดว่าววชุ่มจับคําของพระเจ้าวันจุ่มจับท่ำของพระแม่ครูบาอาจารย์ถือประมาทท่ำของพระแม่ครูบาอาจารย์พระเห็ดพระทัพมาแล้วเป็นปุจพระเห็ดพระทัพมาเป็นทังย่าแล้วจย่ำไปเมืองนอกยาไปเสียไปเมืองนอกยาไปเสียนั่นเห็นว่าหลวงครูจักว่าเข้ามาไปเสียไปทั้งไหนเสียปฏิปทาเสียสุดลงขวัตก็เสียไปแล้ว เสียบินตบากระเสียไปแล้วเสียสันตาบากก็เสียไปแล้ ว, าลวหายไปเห็นของเล็กน้อยนีม่มัน <c oughs> ทำของพระเจ้าไว้เปนตุ ก, กาตาเพราะถว่าเห็นเหลินนี้จะกินทำจริงพ้นจริงดิหรือพ่ะเจ้อว่าพระทีเจ้าสอนสิน่งท่านทำเพื่อพ้นโกรกกิงบ่บ่ไม่รักมากกวานี <c oughs> า้านนพามุ่บ่มีแล้วจะของเล็กแต่บ่ม ดิบิถามผู้เจ้าถามผู้เจ้าในหัวใจอู้ทัพไปผู้รูเหตุนในใจมีความโลภขงโลกตีผู้ออต้องมาหาความม่ออกจากใจมีดีใจมีเสียใจมีตั้งไดจังเสียใจตั้งใดตั้งดีใจถามข้าไปมึงแม่หาเหตุทำทั้งหลายมีเหตุนั่นฮักขอมจเหตุตะก่อนโลกขมงมิจเหตุะก่อนขากันก็มีเหตุตะก้อน ทาหลักกันไม่เหตุตะกอนมุจักเหตุพ้นทั้งทั้งหลาไม่เหตุ น, นัไ่ได้คิดหาเหตุผลได้บางว่าทศเอาตามจิเลตตะของได้บ้างถือว่าจิเลตถูกหัวเอาตัวประหลาดไิจิตรถือผู้หน่อยผูยย้ใหญ่วิจิตถือคำของพ่อแม่ครูบาอาจารย์วิจิตถือของผู้เจ้าเป็นแนทวทัางทุกคนเห็นขิมลาจิ ม, มาแหง <c oughs> นั่นคุกเจ้าห้ามไว้ยังไงไม่เชื่อกูบาอาจารย์ในสุรเด่นเท่ไหมากเห็ุน้าคสอนเขาุกเจ้าบอกเอามาสอนคนบเห็ุน้าคสอนเขาุกเจ้าไม่หูเห็นเอายังมาสอนเลยเป็นทุติยานเชิญตะวันทังกะานเชิญตรวจน้าผทังสั่นไปพ่อแม่นั่งไหลไปหาถอดสถีนไปจ้งพวกนอกเขาติจ้งมาหอเราจบมันเต็มไ้แล้ว เรไม้ใค่โตเตรียมไวแล้วเจองหมอเราสบกันเพื่องั้นแนวนั้นเนวนี้หัวเราวัวหัวเราสิงเตรียมหาออกจากบ้านมากคุณเด้แล้วไปถวยพระะกงละร้อยสองรอยค่าเราค่ายาค่าหมอเราเองกิีนกับออกไปบ้านกว่าเรากองจุมกุ้มยุไปจากมังนอกต้อการติ่จากมองนอกว่าที่ ไปว่ า, าแบบทอดเศียรเราว่ยขาดต้นดอกคาอาหานบ่มีบ่พ่อเลยหอเ่าอ๋อไปบ่วะเจอด้จดจวจัวต่มจังว่าแจงจังวัดลาบจังวย่างกุยย่งมาได้เพื่อนคุนหาขางวาขึ้นลงคว้าจัวัดมันเลโอ้คก้นั่นครับนี่ออกไปรื่อแล้วงานเหลือจัวาด นเรื่องพระพุทธศาสนาเรื hey ่องวัดบ้าศาสนาเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาปัจจัยหนึ่งถึงยิตถึงยิตถึงเน้นนักพระเจ้าพระสงฆ์เน้นหนักพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาที่นี่ไม่ใช่ว่าเรามาสร้างวัดวันหนึ่งสองวันเสียสละเอาจัตรูปัจจัยของพระจอมมาหนาไม่ใช่ของง่ายๆจะอยู่วันหนึ่งสองวันปีหนึ่งสองปีแค่นั้นไม่ใช่ ถ้าเป็นวัดเป็นวายแล้วก็ของใดอยู่หันแล้วที่น่พูดไปอยู่น่ะช่วยรักษาวัฒนธรรมของพระเจ้าของผมเนี่ยครูบาอาจารย์ใดบอะไปเผยแผ่หรือจะไปทํำไรก็ถามก็ไปพี่ถ้าเหตุไดบ่าตายถือพ้อใจแล้วตายจะตั้งหัวมันตายอยู่ไส่เขาอยู่หันก็แล้วไปทันย่านตายย่านตาย ย่นเป็นนั่นเป็นนี่ต <c oughs> ายโยนการปฏิบัติถึงทถ้ำตายตังโมมั่งหนึ่ผ <c oughs> ู้ใดที่ว่าตายเกิดมาหรพอ้องเห็นหนังสต์ท้องเห็นว่าไดตัมด้มอะไรขันไม่เที่ยมเรือเท้าแก่เก็บตายาท้องอะไร ม, มันถึงหัวใจ <c oughs> เห็นอยู่ในหัวใจ <c oughs> แก่เก็บตายจึงบอกแก่เก็บตายจึงบอกเ <c> น <oughs> <c oughs> ื้อตัวเดม ยิ่งมาไห่ยิ่มาแหงมาบวกกัน <c oughs> เรื่องถึงมนังทรรมมาได้บวกเออตีปัญหาแนวนั้นตรงมีปัญหาแนวนี้ยัดถึงมีปัญหาหนึ่ ง, ปงปจปัญหามาจากใส่ จ, จแก้ปัญหาก็ได้วไปครบทีไ่ไปจากโลกผู้เราติดตอ่อะได้ทั้งคณก็บ่าตัวถคถาบัมีทุกเมื่อเป็นติดตอ่อะได้ มั่จไปหมือนแบบึงโวยบ่ยูบ้านน่งเด็ดไปคนบ่าอีกแล้วมันไปสามก็ไปแคบยิ่งะ้ากาทไปนี่ถ้าดแสจก็ไปแค่นั้กนก็ไปได้แล้ว น, <c oughs> น่าทมั่งนหังบ่ท่านไปละไปเบ้งหลงพอไปเบื้งก่อนมันจะมีที่นางที่หนังเขาจัดยังไงสิบเจ็ดครบชั้นเลยแล้วบมาจังเลย้ก็จังรุ่แร่นสิแปด ยังไปอีกแล้วเหมืเพื่อนานทีก็เช้าจัดกันนั้งหลายแน่ที่ทั้งหนาที่ที่เสาออกที่ที่วัดอัดที่ที่นั่งกับทีน่ะโดยเกตาะประธานทรงอยู่เดนมาร์วาซิมาอยู่คับถือว่าคือตั้งสาสตร์ถืว่าไม่มาะครับฮะนัดหกมองคืนไม่มานลครับยังมองนั้นหมทุ่มครับ หน้ากี่ดอกัึงตักบันหัวเบาตรงไปตรงมาตีหัวกันเสมออย่างหัวลง่งสีมาเบาดีดีดีแล้วว่ามาทําอีกวิธีไปด้วยื่อนี่แล้วมาออกไว้เกรียดหุ่มเขาฟึกบไปทำไมไม่มีอะไรเลยนั่งสมาธิก็มาใดนั่งหรือว่าสันบตไปก็ได้หาม เจ้าขอไปจากนางเองพระพุท <c> ธ <oughs> เจ้าเพินาานะะ่นบ่ได้านางใส่แตตลลหมาเกินผ้านางใสตตัลลูเห็ดมาุขอนได้ทนกับผ้าเห็ดแล้วข้วยไอยากกินยาแทนที่คมกับเขาหักหมูไอยากกินห่มแสนกัตีดังเวอร์มาศึกษาล้วก็ทาตามคาสอนพระเจ้าลองดูอ น, นี้ว่าึกษาเาก็มาจะสืบๆเพิ่งจะเกิดเพราะท่านไปกินกันแต่รังอาหารแปลว่ามาดมาเจ้าว่าสืบๆเบิง่ง แต่อาหารตั้งกายแปลไปตั้งพรท่านอีกจินไ่ยสืบมันสืบมาดมเอาดิองลุงว่าจินมลุงว่าตั๊ดตึ๊ลูกรสชาติตึงตัวหมดต้องแปลกับไปมันลึกๆดิเข้ามาไปสืบเหมือนไปเหยดไปทำเนี่ยไปดมอาหารก็หน้านั่นพระท่านอีกจิ้เนี่ยนั่นเห็นว่าจินก็บูกรสชาติอาหารกัเตี๊รสใจกับแต่รูดรสชาติ ธรรมะของคุณเจ้าดิโด้ถ้าธรรมของคุณเจ้าต้องละเอียดด้วยไปที่ไหนล่ะเจ้ า, รรชชายากที่สามมันชนคนธรรมาดาจะทำได้นะต่ตัว น, นี้เขาไปแปลเขาไปหาเกิเีเตุมัรูปแบบมันรู้ไม่เขาเน่เหรอกเห็นไ่มโดยเฉพาะทีมาเนี่ยเขนพระพุทธพระพุทธนับถือพุทธศาสน า, า, มานสมัยนี้เกิเหตุมันก็ขึ้นก็ได้หัวใจ ยังยังเขาใจยากถามแปให้้อมยังเขากยากเข้าใจอยู่แต่ยืนอยู่เราไปเรายีเรศเข้าไปพับบิดจอยหมดมาจะร่วมกนขอโทษตัวบัดของจบของแต่งแต่งเอาละจของแต่งเอาก็รขอเอาโทษตัวตัวบัดพระพทหโทษที่แต่จะของขอเอาดิบ มัวบัวีอยู่ใต้คนตรงทำมาเขาแลค่ะอมันเกิมีดูของประเภทมันหลายประเภทตัวเพื่อนท่านทัานญาหานกมีหลายประเภทประเภาต้อหัวมัน่นจะให้ขี้ดินเพียงจังดำส่นมันขอกำธรรมชาตมันก็จะอมกมีจังดำอ่ะ เดอมาตีเป็นธรรมะจะไหนเหของธรรมาจากหลวงพ่อไม่ยุ่งกัน มันก็ทเป้นสามมับขาวอย่ส้านตรงแม่สพอท่วงลึกเลย ต, ตรงลึกๆ น, น, น้องใบนะแต่ดึงพ่านถึงมากนะเป็นยังต้นต่มคือบ่นลือกวบวนขาขาวน่ะแต่ปกติค่อยไปเอาอตามบรรนนดเลยดึงถึงนมากมันต้องผ่านต้นตกต้องะ่างก่อนมันขาแปะดึงถึงมากผ่านตอมยกแต่ขาวขาวเนีมันผ่านน้ำสักก่อน ตมพันตมเกิกตมขึ้นมากผมก็ถืกน้ำนิ้วกดเยี่ยงออกไปต่อถือว่าแต่ธรรมะด้วยกันนะใจของคนเราจะน้ำใจของพระเจ้ามาล้างมก็ใจของคนมันโฉกปลกสินธรรมของพระเจ้ามาล้างน้าพระพุทธศาสนาน้าของพระเจ้าน้าง น้ำจิเล็ออกากหัวใจใจมันสกรปรกไปด้วยน้ำจิเล็น้ำจิเล็รักโลกโกรธใจมันใสสะอาดไปแล้วรักโลกโกรธ ไ, ไปไปบังมันก็เลยเศร้ามองก็เลยดำเข้าไปดำมาดำจนวัเดี้คุกเต็มตารางไปถามขอแม่จะเป็นทังมาอยุคุกกั น, นพอคว่ำับคว่ำโลกครอบงาเหตเอว่าอะไหาว่าอะไรไปหาปนหาจี้หาขาหาจี้เข้าไป ที่ก็ได้หาดเขาได้ใช้ปืนยิง้าทุบกันนึงเพิ่งเปิดเห็นเพิ่งเปิดเขาบอกว่าน้ำกิเลสกันนะเอ้ามัวบัวน้ำลางออกผมธรรมชาติมันขาวใจของคนธรรมชาติมันขาวอยู่นม่นี่กิเลส ม้าตื่นดิพระตารางจิตต oh, oh, no no ังไปนังบอกเลยธรรมชาติใจทุรวงมันใสสะอาดต่พรอมีร่างกายมันตกกระปกพราฮาเวปันจขันธะนี่ขันหาพระละอันหนักพรอมีร่างกายสมองคดีโลกเป็นรงสันบลานี่พวกมือจัาใจของเจ้าของมันสะอาดพวไป่ด้ควานึงถึงใจสาม่ต้องห้มังให้มีให้ร่ำให้รวยให้สวยใหงามพอใจแล้แค่นั้นพอใจยุ่เพื่อหนึ่งโลกกิจยะ เว่ยงามมันทำให้เกิดดี้นะเกิดความรักความโลงเข้ไปไม่หลายแน่วเขาไปต่ออีกมันเกิดแล้วอสอนเพื่อไ้มาเกิดเกิดวัตถนั่งบนหล่มหายใจเข้าออกผู้สอนนี่หน่อยนี่แต่คนมันมาได้บกวงขวัไปไปทองออกได้พระไจบิรหาว่าผู้ได้จำได้เกี้งไปสอบไปทําตีทาโต้ทํเอ็ประโยชน์เพราะนั้นประโยชน์ปได้แปลและหลายจะได้ก็ไปแปลไปมาเรื่องต้นเหตุที่บ ตัวเน็ตว่าพระเจ้าคุณให้เบื้องอันใดสอนอันใดให้เบื่อน่ายสอนอันนี้อันใดเราเกิดมาเอาทั้งโลกงัดให้อีกจ้างให้อีกเป็นทังสัตว์ทังสิ่งมีรายได้ทั้งสัตว์ที่ก็ไปกิหลงไปสัมปอเห็นตัเห็นว่ารับเดิมสมปองเห็นว่าใจที่แหละตั้งใจว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับศาสนาไปปบัตรทํามตามคําสอนของพระเจ้า ก็ไม่ให้มาปฏิบัติทำตามคำสอนของพระเจ้าไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายกมีนั้นมีนี่จากลำจากก้วยจากกวยจากง่ามจะรับบุญไหว้กันน้าจับกัน บ, บุนบวันบุญวันเฉพาะมันไปด้วยกันบอกเอาต้นเดิมถิมต้นเดิมถิมรักเดิมแต่หายึดถือไม่ทองเอาไม่วาไม่ถึงของเดิมหนูก็ไปไม่ได้ละมัน <c oughs> กะตดทุโกโรคกี่ยะ เรด ย, ยาเดยวเรายาทั้งโลกพอเตียงแทนแน่นอนเลยโลกุณละสูงขึนไปึงบ่เด็กก็มากเกือดที่คุณเนความหมายของมติเราทีนี้พอห้ผู้ใดฟังก็งพูดจังละผู้นั้นบ่เห็ดเองทเองอธิบายเธอเก็โอ้โหน่ะนจะตั้งรู้จาพอตนต้องออกไปกันกองใครควรพิจนาด้วยกอานังสติปัญญาสัาสทธาความเพียร มึงจะควบคุมเพี้ยนต้องเพี้ยนใย่ยามคิดอ่านใช่คนพิจนาคิดอ่านใช่คนพิจาณาคิดแล้วคิดอีกพิจนาแล้วพิจณาอีกเพืนอนฝักซึงเขาตัดไม่อย่างเพี้แล้วตัดแล้วตัดอีกเพืนว่ามันขาดนี่นี่คือกันตัวกตัดชีเล็ตเอาแล้วเขาอีเอาแล้วเอาอีกเพื่อนสันจะทำไมมันขาดเลี้ยวเขาเลี้ยงเขาไปเรีงเข้าไปตัวเลี้ยงหาวันไหนคนใดเห็นทุกคนนั้นเห็นทำเอา บันเห็นทุกข์หทั้มาจิเกิดเึ้นที่บันเห็นได้บันเหุทุกข์เกิดขึ้นแล้ววันจิพ้นทุกข์ได้เพราะบันเขาถามเข้าไปอย่งรู้บันในทุกข์เกิดขึ้นในมันผู้จักพ้นทุกข์ู้เจ้าเพรนทุกข์บ่ไมีเจ็บปวดบ่มีทุกข์แล้วบัวเหตุบ่ได้เขาบอกว่าเหตุบ่ได้ก็าไปว่าเจ้าของเห็นบ่ได้ผู้เจ้าเป็นฝ่าเหตุใดเป็นทั้งใด้ัศน์รู้รู้ว่ามันทุกข์เป็นที่พ้นทุกข์มันเป็นทุกขี่นั่นสิบอกให้เข้าใจได้ทั้งหลา จะตั้งรู้จำเพาะตนนั่นทำของบวชเจ้าผู้ดูเห็นเองรู้เองถ้าไม่ไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นะ <c oughs> นะแต่ยอมเพื่อได้ก็มาบวชจากเมืองได้ก่อมมะะมเมาาืองยังก็ สองคนสิเราตัดเด็กท so no ี่เขาไปโดน ยุไก่โดนไปเทียไใกล้ๆั่นพุทธล่ามเนี่ยค่ะพุทธปฏิบัตน่มันมันพระผนไปเอาก๊หม่มาเห็ดบาศ่าบานี่เพุทธปฏิบัวัเป็นเจ้าคุณถึงหูพระไกรเด่นไปใกล้ๆนั่นนั่นพุทธล่ามเนค่ะมันไปอยากไปใกล้ๆเมื่อในเสื่อมสายกพุทธล่ามมันโดนจำอะไรไไป มาลาพุทธิจักาว่าพุทธารามาท่านผมใช่เจ้าค่ะทาไปพุทธประฏิบติาสาขาพุทธปรฏิบบตรเพื่อนเห็นเพื่อนไปถ้าบุญยังน้ำกันรู้สอยู่เจ้าค่ะอืมพิ่งสายราขาของเปิดออกไปแล้วทั้งนะั้นแล้วทั้ง <c oughs> ยังปฏิเสธมันกับว่ามีธรรมยุทธ์มีมหานิกาย ธรรมยุทธปฏิยัตธรรมยุทธปฏิบัตมนุยกายปฏิบัตมนุษยกายปริยัตจปฏิยทธปฏิบัติก็คือจะงสายลงปู่ชามีกามักงานทกายได้ฟาปฏิบัตหรือว่าปาปาปริยัตก็คือเลี่ยนเลี่ยนปริยัตปฏิบัติก็คือ บริสเลียนได้่าเอาโดยตรงพัดปฏิบัติตามคำของพระเจ้าสงสารทั้งไหนประเทศทังไหนบรเฉพาะฒน์ถือทุดงพระทุดงเรียกว่าอีกพระปาลุทระทุดงทุดงก็วัดบินฑบาตเรงเชคฉันอาหารบิณฑบาตฉันอาหารในบากฉันอาหารขั้งเดียวผลที่แตกกันนี่แตกกันได้แตกกันตแตกตางกันทังสี่ได้ปฏปริยัติก็ปฏิบัติ มันถือถูดงบ่มเป็นขังถข้าวบางทแต่ว่าคงที่เ่็นแข่งคัดแทะบ่มีบางขังบางข้าวแล้บ่มีอโลร่มเจ็บไขได้ป่วยสันเขาในผ้าสังเขาสองเวลาเขาแก้มาแล้วสังเขาสองเวลาสังเขาในผ้าเป็นกบพะเห็ดแต่ถูกเป็นแข็งมันจะว่าแข่งหรือเ่ราแข่งกันไหนผมหัวใจเป็นอเมันคือแขงแทะสไตล์พิรจอนเดียวกันเหมือนว่าเป็นตอนผู้ว่าเขาใหญ รักษาปฏิปทาของผู้เจ้าไว้กันว่ารักษาไว้ผู้ใดจะรักษาเอานั่นการจิตีจมหาใจผู้ปฏิบัติเด้ผู้เอาตรงเลยแปลว่าช่วยกันรักษาพระธรรมยินัยหรือสิช่วยกันทำลายพระธรรมยินัยก็ว่าไปติบัติหนึงนี่สองเหตุแหละหนึ่งทำลายสองรักษาทุกคนจะไปคิดในรอบรอบครอบรอบรูกคิดแล้วต้องทำให้ได้เดพราะแ้กต้องทำให้ได้จล้วเมื่อว่ารักษาได้ที เห็นว่าอ้อตอเข็ดว่ได้ค่าพี่ยังหลับิดข้าสิจี้เข้าไปหาใจจาฝังเล่นเนว่จี้เข้าไปมื่กี้คเข็ดไปตามกิเลสทัลงนั้นเห็นบพระพุทธเจ้าเป็นังวะธรรมะเ่าาสนาดเลตัสรู้ได้จ้าศสาเหมือนชนคนธรรมดาจะทาไปได้จะรักษาเอาไว้มันก็เพี้ยนไปตามการตาก็ได้สักทีเห็นว่าโทกสวดทวดระทําม่ถูกไปสอบประทไม่ถูกเันว่นสองเท้าสอบพบาน ตั้งตั้งไปไปอยากพระเคยเห็นเดี๋ยวรับรู้ตารับสันไปสันสันไปสันเพ้นพระพักไปสันเพ้นนํากับจอบพระานถือว่าเห็ดฮิดมู่ไปตันที่ไปเริ่มยาวกว้างเริ่มยาวกวมาเอ้าเข้าไปมากเลแข็งกระด้างเข้าไปแหละเห็ดไปทั้งบดีทั้งบดีมันไปง่าย เห็นว่าแม่น้ำตั้มแต่ใดถึงไหลแห้งไปไหลแห้งไปจนแม่นม้ำพังแผ่นดินแผ่นหนึ่งก็ไปเมื่อสิแม่นม้ำเกลียดมันพังสัดจกักความกิงของพระเจ้าออกากหัวใจไปได้คือกันเป็นตัวนี้ัดจั ก, จกมต้ตัวยเจ้าของผู้อื่นตัวไดแพตัวยเจ้าของไปเลยนะปฏิญาณจนถึงคุณต่อพุทธธรรมประสงค์อธิษฐานสุดงเ ข, งขงวัตสิรกษาสุดงตามคาสอนของพระเจ้าไว้ตลอดชีวิต เรียกว่ากีวังอุตโมกอรณีโยไม่ได้ยานตายยานเป็นนั่นเป AH <c oughs> ็นน <c oughs> ี่คือไม่กิเลสหลายหอายนั้นเดียวมันจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เป็นโรคกระเพาะมาไปแล้วบ่นั้นตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับนั่นดูเห็นกระเพาะใหี่ยก็ไปยังเป็นหลายนันคืออกทั้งสติแต่แท้แต่าตไผู้ที่เทศไต่ทั้งหลแต่ว่ามันผลเสียหายด้วยบทําอะไรทำหนึ่งถึงความได้นะได้รักษา พอปฏิบัติของผูเจ้าบอกคำว่าหนึ่งมมีสองอันนี้ผิดไปมันก็ได้แล้วแต่ว่ามันถูกตรงกับคำสิบปฏิญาณตนบ้ไงหนึ่งไม่มีสองอย่างหนึ่งมีสองหนึ่งั้นทางเดียวนั่นภาชนะเดียวผ่าผื้นเดียวผ่าจุดเดียวยุ่งสัน่นอันนี้ไปก็ต้องเอาเท็น้ำผูเจ้าด้วนจะเกิดหนึ่งเมื่อไปบน่นคาเสวนลาไป 5 0 0พันปีมงรู้ว่าแหลมไปแหลมไปก็เพาอไปจากไหลหรไป <c oughs> ไปจากพอตรงแนวท่ามตัว <c oughs> ่อนเี๋วถึงวัดแล้วจะใช้เดี๋ยวนี่ก็ไล่พระออกแกฟป้าจากไปนะก็ไปหละโดยวอท่ามบ้านเมืองแหละวี่พาเสียหายอย่างนันนึงพระเอาที่ดินไปหลายแทะพระพี่ปูกป้าไปเรืหลายไล่พะออกหร <c oughs> ที่อเาององส์ึงเอาไปน้ำก็อดยมบ่มีที่ดิน คุณผกเพื่อป้องกันไว้ค้นปุขวนพระเจ้าพระสงฆ์จรรจุปฏิบัติธรรมเขาพะมึงตันี้นี้บปปหาว่าพระที่รู้ไปแต่ไหนไะอะไรกเหมือนไปในตัวแล้วไอืมอังพึ่ทั้งวันเรวไตปัตสิเป็นไตบ้าตนั่นพระป่าสิเป็นพระบ้านเราไปเหมือนด้วยออกไปยุ ป, ปา้าพระเจ้าทัศนุโลกยุบป้าถิมวนนี่ฟังรู เนี้ผมผู้เฒ่าคุณตัดงตัวรู้ยุปาบัตถะเหมอยู่ไรขอบานเนอะทีี้ใส่แบบไปหายุปาย่ดงไปเลยผูเข้มแข็งในสิ่งพันป่าวหลายหมดตายสงหวัหเนี่ยั้งตั้งหกตั้งใจอยู่หันแล้วผมจะขาดกูก็ไม่ขาดยู่เหนื่อยจะตายย่น่ก็วันูจะเหตุใดยู่ไดจึงมีนอยทีน้บับอะ เพราะฉะนั้นภะูเจ้าจังว่างไหวแค่หาพันตรีเป็นเสียเป็นตามท่ำธรรมท่ำของภูเจ้าผู้ติยืดยักเอาไว้นี่น่อยยากที่สามมันช น, นคนธรรมดาจะทำได้โดยเฉพอกว่ายากที่สุดก็คือหาพระอรหันต um <c oughs> ์หลวงพ่อพระศิษบัตเิงเฮ็ดจันทรกับพกครบแล้วเขา่าพระอรหันต์คิดยังไงวะละกิเวสตัณหาออกปิดจากหัวใจหนังแน่หนังแน่ ไล่ออกไปมันเยอะ พ, ะพูเพราะฉะนั้นเราอยู่ท่ามกลางอย่งมหาสมบัติตกต็คือมีพระพุพะทธธรรประสงค์พระเจ้าประสงค์มีอยู่เป็นตัวอย่างก็จะมีอยู่ก็รีบเร่งยังอีกว่าเกินร้อยปีเทากับไปแล้ว <c oughs> มันเขื่อนไปหลายเราเรียกว่ไปหลายที่พู้อยู่หลังโอ้เคยทิ้งไหน่ะขอให้ตนเองเอาตัวรอดเป็นรอดยอดดีแค่นั้นแต่กว่าเราจะทำตามหน้าที่รักษาตามหน้าที่ เขาบอกมีอำนาจาปัฒนาปรัมมีพขาจะรักษาพระธรรมีไงของพระเจ้าได้เป็นอจงไขรักษาได้เท่าชีวิตมีอยู่แต่ผู้เห็นความสำคัญรักษาออกจากชีวิตของต่อชีวิตของห้าไปรักษาต่อไปตรงนี้แต่ว่าที่สุดท้ายเรากั บ, กบกมืดเพราะของพระเจ้าคุณลาไว้ัยสันแล้วต้องนี้มืดไปหมืดไปเกิดจังห้องเกิดมาเดียวนี้ยแหละผ่านไปผ่านไปมืดก็ไ ป, ดกไปเหี่ยงเขไปเหี่ <S <S หยงเข้าไป คือมันเข้าทปปฏิปทาของคนเราไปตั้งวอกกันหนึ่งแล้วจะไปมุมนอกมุงหน้าใช้เสียด้วยใช้เสียคนจำได้ใช่ไหมาคน ก, ก็กมาเสียเด็กคิดว่าทำอะไรลงไปคํานึงถึงความได้อยาคํานึ่งถึงความเสียเด็กคำานึ่งวอกบเสียไปที่ไหนได้ที่ไหนหูจับว่าสมอบัหรือบาปทังไหนบุญที่ไหนหูจับสมวอบัอหูจับว่าเป็นบาเทสนังล่ะ เพราะมูจาสนนด้เลยเพราะเพราะอยัางหละเพราะมีปัญญาเพราะขาดปัญญาเพราะขาดทำจิตให้เป็นสมาธิเห็นสมาธินั่นปัญญาขาดมาไรเอาเรื่องอะไรมึงศินมึงเรืองแบละเอียดดิบแบบถ้าเราสินด่างถอยเป็นยังไงสินสมองเป็นยังไงสินด่างถอยเพื่ออย่างหละขอใจน่ะเมื่อก็ไปจากใจใจเนีใจสะอาด นั่นพุนจังบําคับไปพุทธเจ้าโกหกตนเองไม่ได้เหมือกว่าโกหกเจ้าของไปเหมือนวกเหมนกับจุนี่บารักดาจุนิวเละเทะยุ่นอ้าไปมีอย่างบารักพเจ้าว่ามากกับเขาก็เลิกกันตัว